10. กันตกะสิกขาบท 123. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่ก็ยังปลอบโยนสมนุตเทศผู้ถูกสง์นาสนะไปแล้วอย่างนั้นณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพพวกภิกษุฉับพักขีถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิกษุจับพักขีรู้อยู่ก็ยังปลอบโยนสมนุตเทศชื่อกันตกะผู้ถูกสง์นาสนะแล้วอย่างนั้นในกันตกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐาน สับปานกะวัคที่เจ็ดจบ